อยู่กับก so so so so ันหลายองค์ให้ตั้งใจนะก็วัดของใครของเราหน้าที่ของใครของเราปฏิบัติเอาใครเอาเราออย่าทาให้เสียเวลาเรายืนตรงไหนก็ตามเดินตรงไหนนั่งตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ตามอย่ามันเสียเวลานั่งคอย ทำงานนั้นเวลาเท่านั้นนั่งคอยทำงานนี้เวลาเท่านี้นันงงนงนน่งคอยเวลาไม่ต้องคอยนั่งตรงไห น, นยืนเดินตรงไห น, นภาวนาได้ตลอดไม่เสียเวลาเวลามีค่าทุกลมหายใจเข้าออกสำหรับผู้ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจทำเสียและะ้วมาบบอไม่ได้นู้นไม่ได้นี่ นั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ทำวัดก็ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้ของทุกอย่างทําบัดท่องบนสวดมนต์ภาวนาหนึ่งต้องทําเอาไม่ทําไม่ได้ของทุกอย่างถ้าตั้ ง, งใจทําเอาได้ถ้าไม่ตั้งใจทําไม่ได้เพราะผลทุกอย่างจะ พึงเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทําถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่เกิดในโลกนี้มีเหตุกับผลเท่านั้นความดีอาศัยเหตุ ด, ดีความดีจึงเกิดขึ้นจึง ม, มีขึ้นบุญก็อาศัยเหตุมีบุญจึงเกิดขึ้นบาปก็อาศัยเหตุมีบาปจึงเกิดขึ้นกุศลอกุศลนี่อาศัยบาป อาศัยเหตุของบุญระบาดบุญละบาดจึงจะเกิดขึ้นอันนี้คือเหตุที่เราก็ทํำลงไปแล้วย่อมมีผลตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นมเราไม่ต้องรอกันรอคืนไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวไม่ต้องไปวิ่งวอร์นอ้อนวอนอะไรทั้งนั้นคอยเราตั้งใจทําผลก็จะเกิดขึ้นทำมาก ก็ได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อยไม่ทำไม่ได้เลยนี่คือเรื่องผลเรื่องเหตุกับผลทุกอย่างมันพันกันมาตลอดเรื่องเหตุกับผลเลยนับตั้งแต่งานหยาบๆไปจนถึงงานละเอียดงานหยาบที่เราทำอยู่เป็นพระจำเนี่ยโดยที่ไม่ใช่เรื่องงานของจิต งานอุบายงานวิธีงานขัดเกลางานทำอยู่ข้างในของจิตงานหยาบๆก็ต้องอาศัยเหตุสร้างเหตุขึ้นผลก็ยมเกิดขึ้นท่องบนสวดมน์ก็อาศัยเหตุตั้งใจท่องมันก็ได้มันไม่ได้ในตอนนั้นมันจำยังไม่ได้สองรอบไม่ได้สามรอบไม่ได้สิห้ารอบสิบรอบก่ได้เอาย่นได้ทาไปเรื่อยๆยนได้ ย่อมเกิดขึ้นจากเหตุกรรมฐานกรรมฐานงานเกิดขึ้นจากเหตุงานที่เกิดขึ้นจากการกระทํากรรมฐานกรรมฐานอาศัยการตั้งใจทําเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานนี่เราแปลเอาผลถ้าไม่ตั้งใจทําก็ไม่เกิดไม่มีไม่เป็นพวกเราไม่ตั้งใจทําไม่ตั้งใจสร้างเหตุไม่ตั้งใจทําเหตุผลก็ ไม่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ธรรมะขั้นพื้นพื้นธรรมดาไปจนถึงธรรมะสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นฟันิพานอาศัยเหตุอาศัยเหตุเท่านั้นผลจึงจะเกิดขึ้นอาศัยการตั้งใจทําเป็นเหตุผลจึงจะเกิดขึ้นอาศัยกวามคิดความนึกความดําริในจิตเป็นเหตุผลอยากได้อยากดียากมีอยากเป็นอันนี้เป็นผลตามาน ไอเหตุผลที่ม <Neither S 1> ันมาไล่ไล่หลังกันมาเป็นระลอกระลอกระลอกเมันคลื่นเป็นระลอกระลอกระลอกไล่หลังกันมามันคลื่นเหตุผลเหตุผลเหตุผลผลผลของอันนี้เป็นเหตุของอันนั้นผลของนั้นเป็นเหตุของนั้นผลของนั้นเป็นเหตุของนั้นอ่าผลของอันนี้เป็นเหตุให้เกิดอันนั้นเหตุของนี้ เป็นผลให้เกิดอันนั้นเกิดอันนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลในตัวถ้าเราจะคิดเทียบเคียงเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเราเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนี่ความอยากอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติผลตามมาก็คือตั้งใจปฏิบัติอันนี้ก็เป็นผลตั้งใจสํารวมระมัดระวังตั้งใจรักษาสีขาวินัยแล้วก็ตั้งใจบริกรํา ผลตามมาก็คือเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิศีล ส, สมาธิไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างลอยๆทุกอย่างจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างลอยๆก็คือจะมีเหตุมีปัจจัยเท้งนั้นนอกจากว่าเหตุบางอย่างเราไม่มีความเจตนาไม่มีความจงใจแต่มันหากเกิดขึ้นด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม แต่มันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่มันมีเหตุมีปัจจัยของมันอย่างต้นไม้ก่อนที่มันจะโค่นหลงเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันก็คือมันผูกมันกลอนเนี่ยจะอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งล้มหลงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากมันผูกมันกลอนทําไมถึงผูกถึงกลอนก็เพราะว่ารากมันอาจจะรากเน่ามันอาจจะตายมีอันน้ำเจาะมีอันนี้เจาะ ถึงระดับตามมันพิอาจจะยังไม่ล้มลงแต่ถ้าเกิดมีลมมากระโชกเอากระโชกซ้ายกระโชกขวากระโชกไปกระโชกกระโชกมาล้มคลื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีมีปัจจัยของมันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงให้เราหัดพยายามพิพนิจพิจารณาอย่างนี้เราก็จะมีปัญญาโดยหลักธรรมชาติเกิดขึ้นปัญญานี้อาศัยการนึกการคิดกา ร, การพินิจพิจารณาเราพยายามจับหลักเหตุผลให้ได้ เราจะรู้ว่าผลที่เราได้รับอยู่เดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นจากเหตุอะไรผลที่เราต้องการอย่างนี้อย่างเ น, งนี้เราจะสร้างเหตุอย่างไรมันมีเหตุมีปัจจัยในตัวของมันอยู่เรามีแต่ความอยากอย่างเดียวมันยังไม่พอยังไม่พอคือมันยังไม่ครบยังไม่ครบ มีแต่ความอย่างอย่างเดียวมันเป็นกา ร, รํานำของนามธรรมของจิตมีความนึกความคิดมีความอย่างอย่างเดียวแต่ยังไม่ลงมือทายังไม่ลงมือทำํำก็ไม่ไม่มีผลเพราะผลบางอย่างจะต้องอาศัยทั้งรูปทั้งนามประสาประสานเกี่ยวข้องกันเช่นอย่างเรามีความต้องการอยากได้อยากดีอยางมีอยากเป็นยากเป็นผู้มีศินเราต้องตั้งใจรักษาศินอยากเป็นผู้มีสมาธิก็ต้องตั้งใจรักษาจิต อยากเป็นผู้มีสมาธิตั้งใจรักษาอะไรก็ตั้งใจรักษ า, กษาจิตการตั้งใจรักษาจิตรักษาอย่างไงก็ต้องรักษาด้วยความสำรวมระมัด ร, ระวังการสำรวมระมัด ร, ระวังเป็นธรรมะพื้นพื้นตั้งแต่พืนพ้นพืนพ้นธรรมดาไปจนถึงวิมุตต์หลุดพ้นสำเนียบระแวดระวังโยนิโนสโรมรสิการใคร่ครวนไตรตรองพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลัง ตั้งแต่พื้นๆไปจนถึงสูงสุดต้องอาศัยความสำรวมระมัดระวังสำรวมอะไรถึงจะได้ผลดีผลเลิศประเสริฐที่สุดสำรวมใจระมัดระวังที่ใจเอาอะไรมาสำรวมเอาสติเอาสัมผััญญามาสำรวมมากับกับมาระมัดระวังเพราะตัวสติตัวสัมผชัญญะนั้นเวลาเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตของเราเนี่นนะเป็นธรรมะปัจจุบันที่เกิดขึ้นในจิตพอเกิดขึ้นปับ๊บ มันเป็นการปรับปรุงให้จิตตัวนั้นนี่คล่องตัวพร้อมตัวคล่องตัวพร้อมตัวพร้อมที่จะรู้จักหน้าที่การงานสำรวมระมัดระวังมันเป็นความรู้สึกของจิตในช่วงนั้นในขณะนั้นที่ชัดที่สุดที่เรียกว่าจิตมีสติมีสัมผชัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ใช้ส ต, ติตัวนี้แหละเป็นสติสังวรสติสัรวมเอาสติมาสัรวม สํรวมก็คือสํารวมจิตระมัดระวังที่จิตคําว่าสํารวมก็คือการระมัดระวังระมัดระวังที่จิตระมัดระวังไม่ให้สินคาดนีก็ <c oughs> อาศัยว่ามีจิตสํารวมระมัดระวังเพื่อไม่ให้กายมันไปก้าวล่วงสีขาบทข้อนั้นข้อนั้นไม่ให้วายจามันไปก้าวล่วงสีขาบทข้อนั้นข้อ น, น, นั้นแต่มันสําเ็จมันจากจิตเท่านั้นแหละเพราะคนเราที่แตกต่างไปจาก ก้อนดินก้อนหินขอนไม้ขอนซุงก็คือจิตนี่แหละจิตตัวเดียวทำให้เรารู้จักว่าเราได้รับความสุขรู้จักว่าได้รับได้รับความทุกข์เพราะจิตดวงเดียวทุกคนมีจิตคนละดวงคนละดวงนี่แหละเราจึงมีความทุกข์จึงมีกองทุกข์เราจึงหาทางพ้นจากทุกข์ไม่ใช่ว่าเราประสบความทุกข์เสร็จแล้วเราก็หาวิธีทำลายอัตภาพร่างกายเพื่อพ้นไปจากทุกข์ อันนี้ยังไม่พ้นเพราะว่าความทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่เกิดที่กายมันเกิดที Pas ่จิตความทุกข์ที uh, Además, ่แท้จริงไม่ใช่เกิดที่กายเกิดขึ้นที่จิตจิตนั้นอ่ะมันมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันก็จริงแต่ถ้าหากไอ้กายมีลักษณะมีมีไตรลักษณะที่เรียกว่าไตรลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็จริงอแต่ถ้าหาก ไม่มีจิตมารองรับเอาหรือไม่มายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเอาจิตก็จะไมไ่ได้รับความทุกข์ก็เหมือนอย่างที่พระอริยเจ้าท่านตั้งใจศึกษาอบรมให้รู้จักหลักหลักของไตรลักษณ์ว่าลักษณะของกายเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายจิตก็ไม่ทุกข์ร่างกายได้รับความทุกข์จิตก็ไม่ได้รับความทุกข์ แต่มันมีภาวะของจิตอีกอันหนึ่งที่จิตได้รับความทุกข์เองคือจิตยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ซะเองนะอารมณ์รูปอารมณ์เสียงอารมณ์กลิ่นอารมณ์รสอารมณ์การสัมผัสสัมพันธ์ที่เรียกว่าโภตพภะอารมณ์นึกคิดอยู่ภายในจิตอย่างเดียวนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดีใจดีใจสหันสจสจสหน่อยแล้วก็กลับกลับเป็นเสียใจเสียใจสัหน่อยแล้วกลับเป็นดีใจมีอยสองอย่างเท่านั้นแหละ ดีใจกับเสียใจคิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีใจพอใจคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียใจเสียใจผิดหวังนี่นอกจากมีความทุกข์ทางกายแล้วก็มีความทุกข์ทางจิตในเมื่อเรามีความทุกข์ทั้งสองอย่างเราก็มาใสา่จิตดวงเดียวนี่แหละตั้งใจฝึกฝนอบรมเพราะเราเอาจิต ด, ดวงเดียวอยู่ ก็เอาจิตตรงนี้แหละมาพิจารณากายทําความรู้เท่าทันกายสํารวมระมัดระวังที่กายนอกจากสํารวมระมัดระวังที่กายแล้วก็สำรวจระมัดระวังที่จิตเอาอะไรมาสํารวมระมัดระวังเอาสติตั้งใจนารงจิตให้มั่นคงด้วยสติด้วยสัมพัญนยจิตก็จะเด่นขึ้นมายิ่งเราตั้งท่าสํารวมระมัดระวังแรงมากเท่าไหร่เมื่อเรามีสติดีมีสัมพัญยญ์ดี ปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากจิตที่มีสติดีมีสัมผชัญญาดีบวกประกอบไปด้วยจิตมีสมาธิดีสติสติสมาธิปัญญามีสติดีมีสมีสมาธิดีมีสัมผชัญญะดีปัญญาก็พร้อมจะเกิดแต่ก่อนปัญญาจะเกิดจะต้องมาขัดมาเกลวการตั้งใจขัดการตั้งใจเกจลว ก็คือต้องอาศัยความภาคความเพียรความเพียรก็คือคื อ, ค, อคือทำไม่หยุดทําไม่ถอยทําไม่เลิกทําไม่หยุดทําไม่ถอยงานทางจิตเนี่ยเรายืนตรงไหนก็ทําได้เดินตรงไหนก็ทําได้นั่งนอนอยู่ในยื่งยากหไหนเราก็ทําได้หมดทาไม่หยุดทําไม่ถอยทำไม่หยุดทําไม่ถอยทำจนได้ทำจนมีทายังไม่ได้ก็คือไม่ได้ ทำจนมียังไม่มีก็คือไม่มีทำจนได้ทำจนมีใ น, นเมื่อเราตั้งใจประกอบเหตุลงไปแล้วผลก็จะต้องตามมาไม่เคยที่จะลงทําเหตุลงไปแล้วผลจะไม่ปรากฏขึ้นไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตั้งใจรักษาศีลผลอนิสงส์จากการรักษาศีลก็มีอยู่แล้วสีเลนะสุขติงยันติพุทธเจ้าท่นทรรับประกันสีเลนะโภอสัมปทาน สีลนะนิพพุติงกันติพระพุทธเจ้าทังสองรับประกรันที่ท่านสรุปไว้ในในธรรมสินในสินห้านั่นแหละท่านสรุาาปเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกคนพึงมีสินพึงสังรวมระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องศินเพราะสินเป็นบันไดขั้นแรกสามารถทําให้เราก้าวไปสู่สวรรค์ก้าวไปสู่นิพพานได้สินเป็นเบื้องต้นของพระหมจันทร์พรหมจานทร์นี้มีสิลพระหมจานทร์นี้ยั่งยืนอยู่ได้เพราะสิน พราหมจรรย์ น, นี้จะเสื่อมสูญจะลายหายไป เ, เพราะว่าการอันตราธานจากการรักษาศีลเพราะฉะนั้นตั้งใจรักษาศีลถือว่าเป็นเบื้องต้นของการพาดพาดบันไดพาดบันไดก้าวไปข้างหน้าให้ทานก็มีผลมีอนิสงส์ตั้งใจรักษาศีลก็มีผลมีอนิสงส์จะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี 10, ส่สเจ็ดของพระสงฆ์ นั่นเมื่อเราตั้งใจรักษาลงไปแล้วก็ย่อมมีผลมียในสงเพราะการตั้งใจรักษาศีนนั้นเป็นการปิดกั้นกิเลสที่แม้มันก้าวล่วงออกมาทางกายกายอัตวานวจีวจีกายอัตวานว จ, ว จ, วนวจีทวานนะกรรมจะพึงเกิดขึ้นทางกายด้วยการผิดศีนเราก็สามารถสั่งรวมรว่วมระวางได้ การที่จะพึงก้าวล่วงทางวาจาด้วยการผิดศีลเราก็สํารวมพวามระมัดระวังได้เช่นอย่างการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพยเจอ้อเนี่ยพูดดา่าพูดทอพูดยาพูดครายคำพูดต่างๆเหล่า น, นี้พอเราประกอบลงไปแล้วเราทําลงไปแล้วผิดศีลนนะด้วยผิดธรรมด้วยผิดศีลด้วยผิดธรรมด้วยนะเป็นเหตุให้เกิดทักษ กิเลสเกิดทางวาจาผู้เสียดสีคนนั้นพูดเสียดสีคนนีนพนนพนน้พูดดูพูดว่าคนนั้นพูดดุพูดด่าคนนีน้เป็นเหตุอะไเสียธรรมเสียเมตตาธรรมเสียความสังวรสังวรธรรมคือสังวรปากในเมื่อเสียความสังวรแล้วคนอื่นได้ยินได้ฟังด้วยหูคิดนึกด้วยใจบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจ มางทีก็ทะเลาะบอกไปถึงฆ่าถึงแกงกันนี่คือการผิดศีลนัตั้งแต่ปานาเป็นต้นไปฆ่าสัตว์หนึ่ฆ่าสัตว์ก็ขาดเมตตาฆ่าทําไมฆ่าด้วยความโลภฆ่าสัตว์ฆ่าได้ด้วยการขาดเมตตาเห็นไหมมันขาดทั้งศีลและขาดทั้งธรรมถ้าเราปล่อยให้ร่างกายก่อกรรมผิดศีลข้อหนึ่งก็ตามข้อสองข้อสามก็ตาม ปานาอธินนากาเม่เกี่ยวกับเรื่องกายอืแต่กายมันมาจากมาจากจิตทั้นั้นแหละปานาฆ่าสัตว์เอากายมาฆ่าอทินนารักทรัพย์เอากายมาลักกาเมสุมิตรฉาย์ประพฤติผิดในกามก็เอากายมาประพฤติผิดแต่มันก็อาศัยจิตนึกคิดซะก่อนพอจิตนึกคิดเสร็จแล้วก็ล่องละเมิดทางกายะทวานเน่ยเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาทางกาย ขาดเมตตาขาดเมตตามีความโลภฆ่าเขาด้วยอำนาจของความโลภรักของเขาด้วยอำนาจของความโลภโกรธเคียดแค้นฆ่าอาฆาตพยาบาทด้วยอำนาจของความโลภผิดศีลผิดธรรมข้อสองข้อสามก็ผิดด้วยอำนาจของความโลภความโลภก็คือความอยากความอยากได้ลาภลาภหมายความว่าแปลว่าได้ โลภแปล ว, ว่าอย า, อยากได้อยากได้อยากได้ด้วยอำนาจของความโลภแล้วก็แสดงกิริยาของความโลภลงไปนี่รู้ล่วงอำนาจของกิเลสทางกายทวารทางวิจีทวารคือพูดเท็จพูดอย่าพูดสอเสียดพูดบิดเบือนจากความเป็นจริงทำให้เกิดโทษนอกจากผิดศีลแล้วก็ผิดธรรมด้วย อันนี้เรื่องของกิเลส ท, ที่จะพึงตามมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการตั้งใจรักษาศีลมันก็เป็นการปิดช่องปิดรูที่กิเลสจะพึงแทรกเข้ามาให้เราผิดทางกายผิดทางวาจานะมันแสดงกระดุกกระดิดพริ้วแพลงอยู่ภายในจิตของเรามันไม่สงบนึกคิดเรื่องดีบ้างนึกคิดเรื่องชั่วบ้างนึกคิดเรื่องยากเรื่องรักเรื่องใครเรื่องอะไรสารพัดมันแสดงมันคิดไดนะ้มันมีจุดกําเนิดมัน ม, มีจุดเริ่มต้นของมันที่จิต เราต้องการให้จิตสงบเราต้องการให้จิตสงบเพราะกิเลสมันไปแทรกแซงจิตทําให้จิตไม่สงบจิตจึงได้นึกได้คิดนึกคิดเสร็จแล้วก็มาทําผิดล่องละเมดด้วยกายกายกรรมล่องละเมิดด้วยวาจาวาจีกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องการให้กายสงบต้องการให้วาจีสงบด้วยอํานาจของศีลเราก็ตั้งใจรักษาศีลมันมาจากสาเหตุที่จิตไม่สงบ จิตไม่สงบเพราะกิเลสมันมายุ่งแย่จิตให้จิตไม่ได้รับความสงบเราก็เลยต้องการทำให้จิตสงบที่เรียกว่ามีสมาธิเรามาปรับให้มันสงบอยู่ที่ต้นตอมันคือจิตแต่เราให้มันสงบนิ่งอยู่เฉยโดยที่ไม่มีพิธีการอะไรทำไม่ได้ดอกเราจะต้องให้มันสงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นจึงมีการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ เอาวนาทาให้จิตสงบถ้าจิตสงบกิเลสภายในจิตมันก็สงบจิตไม่สงบเพราะกิเลสภายในจิตมันไม่สงบมันไปก่อกวนจิตตรงนั้นแหละคิดหน้กคิดหลังคิดอยากได้อยากดีคิดอยากทาคิดอยากทาคิดสารพัดบรรดาอิสระที่สุดในโลกนี้ก็คือความนึกคิดของจิตนะคิดได้สารพัดสารพันอยู่ภายในจิต เราไปนั่งลองนั่งพิจารณาดูจิตของตนเองคิดได้สารพัดคิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้คิดอยาบคายคิดลามมกจกเปรตขนาดไหนก็ตามจิตตรงนี้คิดไม่มีขอบไม่มีเขตนี่คิดไม่มีขอบไม่มีเขต ไ, ไ, ไม่มีกฎ ไ, ไม่มีเกณฑ์ไม่มีศีลไม่มีธรรมผิดหลักกฎหมายของบ้านเมืองอ่หลักกฎหมายหลักของบ้านของเมืองก็เพราะกิเลสมันพาคิดอืม อำนาจฝ่ายต่ำ ม, มันพาคิดแต่ถ้าคิดตามอำนาจของธรรมคืออำนาจฝ่ายฝ่ายธรรมอำนาจฝ่ายสติ ฝ, ฝ, ฝ, ฝ่ายสัมผััญญาฝ่ายหลักฝ่ายเกณฑ์ฝ่ายศีลพานึกพาคิดก็คิดเป็นอัตเป็นธรรมคิดอยู่ในร่องในรอยไม่คิดผิดนอกศีล น, นอกธรรมนอกรีดนอกรอยไม่คิดเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนคิด เคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเช่นอย่างท่านบอกว่าท่านไม่ให้ดําริดาริอในความโลภอยาบไดของเขาดําริในความไม่พยาบาทปองร้ายเขาคุณนึกมันนึกอย่างนึกอย่างหนึ่งน่ะนึกอยากได้ของเขานึกอย่างหนึ่งนึกปอมร้ายเขานะแล้วพูง่ายคือนึกอย่างหนึ่งคือนึกโลภนึกไปนึกมามีสิ่งนู้นมาคล้องมีสิ่งนี้มาคามาปิดมากั้นเอาไว้เกิดความโกรธ นความโลภที่แรกโลภในเมื่อไม่ได้ตามใจประสงค์เกิดความโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาเสร็จแล้วเกิดพยาบาทคือผูกอาฆาตจองเวรขึ้นมาจองเวรจองเวรเสร็จแล้วก็ไปฆ่าไปแกงหรือไปทําทารุณกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเป็นเวรเป็นภัยจองเวรจองภัยกันอยู่นั่นนี่เส้นสายการทํางานของกิเลสภายในจิตของเราจิตมันไม่สงบเพราะกิเลสมันพายให้จิตไม่สงบ กิเลสทำไมถึงพาพาจิตมาให้สงบเพราะจิตมันมีกิเลสกิเลสภายในจิตมันก็เลยโดดดิ้นไปจาก อ, อํานาจของมันของกิเลสที่มันมีอยู่ทําไมกิเลสมันถึงมีอยู่ภายในจิตก็เพราะมันเกิดมาด้วยกันกิเลสเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตจิตเกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสมันเป็นวัตถุ ด, ดิบที่ยังไม่ได้ชําระขัดเกลาตัวเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยเฉพาะจิตของเราแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นนะ่ะะ มีความอัศจรรย์นในตัวเป็นแก้วสารพัดนึกในตัวถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับของดีมีค่าเช่นอย่างเพชรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในหินเกิดขึ้นมาแล้วเปลื้อนนู่นเปลือปล่อนนี้ไม่มีแสงแวววาวแต่บุรุษสามารถเอามาเกียเกียระไรให้เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นคมดูมุมไหนคมไหนไหนเหลี่ยมไหน แวววาวด้วยแสงของเพชรชที่มันสัมผัส ก, กันกับแสงอาทิตย์ทําให้เกิดแวววาวขึ้นมามีค่ามีคุณค่าขึ้นมาเ ก, กียเรื่องตรงที่มันจกเประอตรงที่เป็นน้ำํำขุ่นๆที่เป็นฟองเป็นอะไรเหมือนอย่างอะไรที่มันเป็นปิดกันน้นจิตของเราเช่นเดียวกันจิตมันปนเปื้อนมากับกิเลสคืออํานาจของความโลภของความโกรดนัน่นแหละ กิริยาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นด้วยอํานาจของความโลภของจิตนะกิริยาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นประกอบไได้วยอํานาจของความโกรธกิริยาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นประกอบไได้วยอํานาจของราคะตัณหามันเกิดขึ้นมันมีพิษสงเกิดขึ้นภายในจิตแต่โดยปกติจิตอย่างเดียวนั้นน่ะมีแต่ศักดิ์่ว่ารู้สภาพที่รู้ท่าที่รู้เขาเรียกว่าจิตจิตคือผู้รู้ แต่ผู้รู้มันไม่บริสุทธิ์มันปนเปื้อนมากับกิริยาอาการที่ดิ้นรนไปเพื่อความโลภเพื่อความกโกรธเพื่อความรุ่มหลงผลตามมาก็คือพ้นพ้นตามมาก็คืออโกรธนะความทุกข์เกิดขึ้นจากความโกรธหน้าดำหน้าแดงโลภเกิด ข, ขึ้นจากความโลภแสวงหาดิ้นรนเอาเป็นเอาตายเขาแรกเขาเขาหาดเสือ่อมนะของความโลภ อได้หนึ่งแล้วไม่พอได้เท่านั้นแล้วไม่พอได้ท่านี้แล้วไม่พอไม่มีอะไรพอคําว่าพอไม่มีไม่มีคําว่าพอนี่คืออํานาจของความโลภโลภเพ่งเลงเพื่ออยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนอันนี้ผิดศีลผิดธรรมโลภแล้วตั้งออกตั้งใจแสวงหาให้มีมีมากเท่าไหร่ก็ตามอันนี้อถ้าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็ยังเป็นธรรมอยู่ แต่ถ้าไปเบียดเบียนคนอื่นไปตัดไปรอนไปดักหน้าดักหลังหาคนเหาเลทหาบายหาวิธีเพื่อที่จะของจะได้มาอันนี้เป็นเป็นกิเลสเป็นเหุนนามาซึ่งซึ่งความเครียดแค้นอิจฉาริสยาพยาบาทจองเวรจองภยัยแก่กันแหะกันนะมีการฆ่ากันมีการแกงกันอะไรแต่ไรสารพัดททจะพป็ตา ม, มา้าโลก มีความอยากได้แล้วก็มีการแสวงหาแล้วก็ทำได้ให้เกิดมีผลตามอัตภาพตามสติตามกำลังตามความสามารถของตัวเองด้วยอุตสาหวิทยะของตัวเองอันนี้เป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมไม่ทำเม Б ืม่อเราได้มาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปเบียดไปบังใครอันนี้คืออำนาจของความโลภมันถูกถูกถูกศีลถูกธรรม อุตส่าห์พยายามขยันมันเพียนโลกมันมีทั้งโลกสแสวรหาทรัพย์ข้างนอกมีทั้งโลกแสวรหาทรัพย์ข้างถ้าไม่มีความโลภความอยากได้ตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงบันดาลให้ให้เราอยากได้อยากดีอยากสร้างเหตุเพื่อเพื่อดีเพื่อดีมันไม่มีไม่ใช่โลกขึ้นมาแล้วก็เป็นกิเลสทั้งหมดโลกขึ้นมาแล้วเป็นกิเลสโลกประเภทเป็นกิเลสก็มี คือโลภแล้วก็ดาเนินการนอกระบบนอกเบียกนอกศีล น, นอกธรรมนอกกฎนอกเตนนอกกฎหมายบ้านเมืองเมื่อเวลาทาลงไปแล้วก็เกิดเกิดเกิดทุกข์เกิดโทษตามมาอันนี้เป็นเป็นความโลภฝ่ายกิเลสแต่เป็นความโลภแล้วก็อาศัยเรี่ยวแรงของตัวเองแล้วก็แสวงหาตั้งใจพระพุทธตั้งใจปฏิบัติเพื่อได้เพื่อดีเพื่อมีเพื่อเป็นอันนี้ยิ่งโลภ ยิ่งมีความอยากมากเท่าไหร่จิตใจของดวงจิตใจดวงก็ยังมีพลังมากเท่านั้นหลยหมือนอย่างเราตั้งใจทําความภาบความเพียรต้องการให้จิตสงบต้องใจทําจนจิตสงบตั้งใจพิจรารณาเกิดความรอบรู้ด้วยสติด้วยปัญญาและความรอบรู้ในกองสังขารกายกองสังขารสังขารจิตเรากพยายามตั้งอกตั้งใจทําจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นมาโดยลําดับอันนี้เป็น เป็นแรงเป็นเป็นกำลังใจเป็นการทํางานเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเราทําลงไปแล้วเราประกอบลงไปแล้วเพื่อทําลายเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์ ท, กที่จะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายความทุกข์ที่จะเกิดมาแล้ววิโยมมาพลัดพา ทุกเสียใจทุกน้อยใจทุกน้อยเนื้อต่ําใจทุกสมหวังทุกผิดหวังทุกได้มาทุกเสียไปทุกสารพัดที่จะพึงเกิดขึ้นด้วยเหตุที่เราไม่พึงพอใจอันนี้คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นเราตั้งใจศึกษาค้นคว้าหาเหตุหาอุบายหาวิธีหาช่องทางเพื่อที่จะเข้ามารู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ข้างในภายในใจของเรา เราพยายามดิ้นรนขวนขวายพยายามปฏิบัติทําให้จิตได้รับความสงบเพราะความสงบของจิตนั้นเป็นกําลังของจิตสามารถกลั่นกรองนึกคิดพิจรารณาไข้ครวญเพื่อให้ทันเหตุให้ทันเหตุอนุสัยกิเลสที่มันเป็นเหตุละเอียดอยู่ภายในจิตนั่นถ้าเราไม่อาศัยความสงบของจิตเนีน่มันจะไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงเป็นกําลังให้กับจิตใจเพื่อจิตใจดวงนี้จะได้ทํา ง, งาน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือตั้งใจรักษาสินแล้วก็ตั้งใจทำจิตให้ได้รับความสงบเพื่อให้จิตเกิดความรอบรู้เกิดปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วเอามาพิจารณาเราเอาจิตที่สงบนัามาพิจารณาจิตมันไม่ดิ้นรนจิตมันไม่กวัดแกวงจิตมันไม่คาดไม่หมายไม่เดาเอาเป็นสัญญาอารมณ์จิตมันพร้อมที่จะเห็นหลักของสัต สัจจะสัจธรรมสัจธรรมจ ะ, จะพึงปรากฏในจิตที่ได้รับความสงบนั้นนแล้วก็จิตที่ได้รับความสงบเป็นจิตที่มีกําลังอ ะ, อะไรจะโผล่ขึ้นมาภายในจิตมันก็พร้อมที่จะรู้ที่จะเห็นและก็ที่จะทันเพราะจิตที่มีสมาธินั้นเป็นจิตที่พร้อมด้วยสติจิตที่พร้อมด้วยสัมปชัญญะจิตที่พร้อมด้วยอาตตปะคือความภาคความเพียรความพระทับประคลองทํางานไปอย่างต่อเนื่อง อันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่มีความสงบเพราะฉะนั้นเราไปคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอาโดยไม่ให้จิตแต่เราความสงบเลยเอาไปพิจารณาเลยไม่ต้องทําให้สงบดอกพิจารณาเลยพิจารณาเลยอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านตำหนิ ท, าทน่ทานบอกว่าคิดเอาคิดเอาคิดเอาแล้วมันเป็นเรื่องของสัญญาอารมณ์ไปหมดมันไม่มีพลังสะสมอยู่ในตัวจิตที่มีความ ส, สงบนั้นจิตที่มีพลังสะสมในตัว เวลาเราทําไปเราทํำไปเราทําไปแล้วมันเหน็ดเหนื่อยย้อนมาสงบย้อนมาสงบได้กําลังวางใจแล้วก็ยย้อนไปพิจรารณาพิจารณาเหน็ดเหนื่อยก็มาสงบสงบเหนเหนื่อยก็ก้าวเดินเข้าไปเหมืนเหมือนเท <c oughs> <9 S 2> ้าขวาเท้าซ้ายก้าวไปเรื่อยขวาซ้ายขวาซ้ายก้าวไปเรื่อยสมาธิขยับไปอ หมดช่วงสมาธิก็ปัญญาหมดช่งปัญญาก็สมาธิหมดชงสมาธิก็ปัญญาหลงตาท่านให้ทำสลับกันไปอยู่อย่างนี้แล้วศีลก็หนุนสมาธิสมาธิแล้วก็หนุนปัญญาความอดความทนมมความมุสาหพยายามความขยันมันเพียรทั้งหลายทั้งปวงมันหนุนการหนุนงานของเรานั่นแหละเพื่อที่ให้ห ก, การงานของเราได้ผลปัญญาขนุนวิมุตติได้ สามารถจะหนวิมุติได้วิมุตก็คือพ้นความพ้นความพ้นความพ้นจากการยึดจากการถือยึดกายก็ทุกกับกายยึดของนอกกายก็ทุกกับของนอกกายยึดอารมณ์ภายในจิตของตัวเองก็ทุกกับอารมณ์ภายในจิตของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้พินิษฐ พิจรารณาให้เห็นสาเหตุต้นตอของความลุ่มหลงของตัวเองโดยเหตุที่เราไม่เคยย้อนมาพิจรารณาสภาพของตัวเองร่างกายของตัวเองและอารมณ์ภายในจิตของตัวเองเราจึงหลงหลงยึดกายนี้หลงเพลินไปกับอารมณ์ภายในจิตนั่นแ่ะมันหลงประกอบไปด้วยอํานาจอํานาจ ข, ของความเพลินกิเลสพายเพลินนันธิราคะนนันธิราคะชาตาประกอบไปด้วยความเพลินไปกับอารมณ์ของกิเลส เคลื่อนไปแบบไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวแหละนี่ทั้งเรียกว่าอํานาจของอวิชชามันพาเราล่มหลงด้วยอํานาจของสมุทยัยกิเลสภายในจิตมันพาให้ล่มหลงเราไม่รู้จักตัวมันไม่รู้จักหน้าจากตาของมันเห็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาก็เราทั้งหมดอะไรโผล่ขึ้นมาก็เราทั้งหมดไม่เคยย้อนดูถ้าเราย้อนดูแล้วมันจะแยกโดยอัตโนมัติอารมณ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นไปในจิตปั๊บเราย้อนดูออเรารู้สึกตัวแล้วเราทันเราทันแล้วเราเราสมัครย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปดูสาเหตุดูต้นต่อของมันมันพาเนึกพาคิดเพราะอะไรเพราะเหตุใดเหตุใดนึกคิดไปคิดไปคิดไปเสียใจมันเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดนึกไปนึกไปคิดไปคิดไปดีใจเพราะเหตุใดนึกไปนึกไปคิดไปคิดไปคิดไป เกิตันหาเกิดราคะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราไม่หัดย้อนพิจารณาดูอย่างนี้เราจะไม่เห็นหน้าเห็นตาของมันแหละมันก็มาสวมรอยมาสวมรอยในหัวใจของเราเนี่ยเอาใจของเราไปใช้ทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีกิเลสภายในจิตของคนเราเนี่ยทุกคนมีกิเลสภายในจิตแต่กิเลสภายในจิตนั้นสามารถที่จะมาฝึกฝนอบรมมาขัดมาเกลา้าให้มันเบาบางไปให้มันหมด ไปให้มันสิ้นไปจากจากจิตของเราได้สมัครจำระจิตของเราให้ให้ให้อยู่ให้เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เมื่อเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ตัณหาอุปาทานก็ไม่มีในนั้นตัณหาไม่มีในนั้นอุปาทานไม่มีในนั้นการเข้าไปยึดในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตภาพร่างกายเรื่องนอกกาย ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็ตามสิ่งที่เป็นนามธรรมคืออารมณ์ทั้งหลายภายในจิตก็ตามเราเข้าไปยึดเท่าไหร่เราก็ทุกเท่านั้นเราฝึกฝนอบรมให้รู้เท่าทันไปเท่าไหร่รู้มันก็สัพพ์วารู้รู้สัพพ์ว่ารู้แต่เข้าใจแล้วเข้าใจเพราะเข้าไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเมื่อเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันจิตมันก็หยุดมันก็จำนอน ยังไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเี่ยราคระราคระพร้อมจะเกิดโทสะพร้อมจะเกิดโมหะพร้อมจะเกิดเพราะเราไม่เห็นเ ห, นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นต่อที่แท้จริงของมันมันก็พร้อมที่จะเกิดพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องมาฝึกฝนอบรมสั่งสมอบรมท่านเรียกว่าสั่งสมอบรมไปเพราะการ ทำงานนี้เราสั่งสมไปมากเท่าไหร่ก็คือการสั่งสมบุญเรายิ่งอบรมขัดกลาจิตของตัวเองไปมากเท่าไหร่ก็คือการสั่งสมบุญบุญคือความดีความดีของกายหมายถึงกายกรรมดีความดีของวาจาหมายถึงวจีกรรมดีความดีของจิตหมายถึงจิตดีจิตไม่โดดโลดเต้นไปตามอํานาจของกิเลสจิตประสิทจกกิเลส ก็เป็นจิต ท, ที่ดีเยี่ยมจิต ท, ที่มีพลังเยี่ยมไม่มีตะหน้าวปลาทานมาลกความจิตไม่เอาจิตนี้ไปใช้นอกลูกนอกทางแห่งธรรมนี่เราพูดถึงสาเหตุต้นตอของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุกข์ที่เราเห็นกันชัดๆก็คือทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายทำไมเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่พรพุทธเจ้าท่านสงสัยมาก่อนนั่นแหละ ทำไมท่านจะต้องแก่ด้วยทำไมท่านจะต้องเจ็บด้วยทำไมท่านจะต้องตายด้วยสาวไปสาวไปโอ้มันมาจากความเกิดความเกิดมาจากอะไรสาวไปสาวไปสาวไปสาวไปสาวไปก็เห็นต้นต่อของความเกิดคือการยึดมันถือมั่นด้วยอุปาทานเป็นต้นต่อของการเกิดทั้งหลายทั้งปวง การที่จะเข้าไปรู้เหตุเข้าไปรู้ปัจจัยเข้าไปรู้ตัวสมุทยอันเป็นเหตุให้เกิดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อันนั้นเป็นหนทางที่ชอบที่ท่านเรียกว่ามาัตตต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจด้วยข้อปฏิบัติไม่ใช่นึกคิดเอาแล้วจะเกิดผลต่างๆเหล่านั้นตามมาเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราทำจึงมีทั้งทำผิด จึงมีทั้งทำถูกเดินผิดบ้างเดินถูกบ้างทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำไม่ได้ก็คือมันทำไม่ถูกนั่นแหละทำได้ก็คือทำถูกทำได้มากทำได้น้อยก็คือทำถูกมากทำถูกน้อยทาไม่ได้ก็คือทำไม่ถูกอไอ้ที่ว่าทำลงไปแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่มีเพราะมันมีหลักว่าทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็คือได้ไม่ดี ที่เรียกว่าทำชั่วก็ได้ชั่วไอ้ที่ไม่ไอททไไไ้ที่ทำไปแล้วไม่มีเหตุไม่มีที่ทำลงไปแล้วมีเหตุทั้งนั้นน่ะแต่เหตุนี้มันเป็นเหตุเพื่อทุกข์เหตุนี้มันเป็นเหตุเพื่อสุขเราจะต้องมาศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้กระจ่างให้เข้าใจมันจะต้องมาหมุนไปในจิตของเราเนี่ยมาพิจารณาทำไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มียืนไม่มีเดินทำจนได้ทำจนดีทำจนมี ทำจนเปลี่ยนตั้ง อ, อกตั้งใจทาตอนนี้ทุกคนอยู่ทากลางสนามฝึกคือการกระทาทำอะไรทำศีลให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำกิเลสให้บริสุทธิ์จากจิตไม่ให้มันมีกิเลสภในจิตนี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำที่เรียกว่าทิศศีลอธิจิตอธทิปัญญาอธิปัญญาก็คือทำปัญญาให้ยิ่ ง, งขึ้นไปปัญญาเหมือนแสงสว่าง จิตที่มีปัญญาเหมือนจิตที่มีความสว่างภายในสามารถเข้าไปรู้เหตุผลต้นตอแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างถูกท่วนอย่างถูกต้องแต่ถ้าหากไม่มีปัญญาเราเข้าไปดูสาเหตุข่างในก็เห็นไม่ชัดเจนเราเห็นเหตุผิดกับผลเห็นผลผิดกับเหตุชี้เหตุไม่ถูกกับผลชี้ผลไม่ถูกกับเหตุเนี่ยชี้สีแดงว่าเป็นสีดำ ชีส้สีดำว่าเป็นสีขาวชี้ผิดชี้ถูกชี้อยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นความหวังของเราจริงสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างเราหวังอยู่อย่างนี้เราไปทำเหตุอย่างนี้เหตุที่เราทำเพื่อต้องการผลอย่างนี้มันกลับไม่ใช่เป็นเหตุของมันแหละมันเป็นผลของอ น, นุนทำเหตุนี้ลงไปแล้วแทนที่จะได้ผลนี้แต่มันกลับได้ผล น, น้นเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจเหตุผิด ทำไมเราจึงเข้าใจเหตุผิดเพราะเราดูไม่เห็นเหตุอย่างชัดเจนแก่มแจ้ ง, จงเราจึงเราจึงเราจึงคาดผิดในเมื่อคาดผิดเราก็หวังผิดหวังผิดคือหวังแล้วมันไม่ได้สมหวังไม่ได้ตามใจหวังอเราต้องต้องการจะเขียนสีเขียนสีขาวต้องการจะป้ายสีขาวแต่เราไปจุ่มสีดำอพอไปป้ายมันก็เป็นสีดำ เราบูเหตุกับความต้องการของเรามันตรงกันไหมมันไม่ตรงกันตราบใดที่จิตของเรายังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเต็มแพร่อยู่ภายในจิตกิเลสมันจะพาให้เราเห็นเหตุไม่ชัดเจนแล้วก็พาให้เราทาตามความอยากที่มันเสนแสร้งให้เรามีความอยากอยู่ภายในจิตของเราน่ยมันหลอกมันหลอกเราได้สารพัดหลอกให้นึกอย่างนั้นหลอกให้คิดอย่างนี้หลอกให้ปรุงอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ นึกเองคิดเองปรุงเองแล้วก็หลงเองหลงความนึกความคิดความปรุงของตัวเองสร้างสัญญาขึ้นมาแล้วก็หลงสัญญาของตัวเองสร้างความนึกขึ้นมาแล้วก็หลงความนึกของตัวเองมันจึงเป็นเรื่องท้าทายมากท้าทายให้เราเข้ามาดูเข้ามารู้เข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจสร้างเองหลงเองร่างกายของเราเนี่ยจิตมันสร้างเองจิตนี้มันสร้างกายนะตะพูด ตามภาวะส่วนที่ละเอียดเข้าไปเพราะจิตมันมาจับจองกายจิตมันลงมาจับจองในท้องแม่นั้นเมื่อมันลงมาจับจองแล้วมันจองเองมันก็ยึดเองมันก็ถือเองจิตมันจับจองกายแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในกายสำคัญมั่นหมายในกายมันไม่ยึดมั่นมันมาจับจองจับจองได้ตามกำลังของมันนะมันไม่เกินกาลังของมัน มันไม่พอที่จะจับจองในอัตภาพเป็นมนุษย์ได้มันก็ไปจับจองอัตภาพเป็นสัตว์เป็นสัตว์นุเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปีก เ, เป็นหมูหมากาไก่ไปงั้นแหละไปจับจองได้ตามกำลังของกรรมของมันพอจะได้เป็นมนุษย์มันก็มาจับจองได้อัตภาพเป็นมนุษย์มันมาจับจองตามกำลังของมันมันมาจับจองอัตภาพร่างกายมันมาจับจองพเพื่อเกิด ให้เกิดเป็นรูปและเกิดเป็นนามเราจะเห็นว่าวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปมันโผล่มาตรงนี้เลยวิญญาณคือจิตวิญญาณท่าเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดนามเกิดรูปเพราะมันแสหาที่เกิดมันหาพบหายชาติหาที่เกิดหาพบมาเมื่อเมื่อแสหาพบแล้วมันจะต้องไปเกิดที่เรียกว่าชาติคือความเกิดจะต้องไปเกิดในพบที่มันแสหาแล้ว ไปเกิดตามพบตามผูกเกิดตามอํานาจของกรรมความความผูกพันกันด้วยอํานาจของกรรมวาดหมายเป็นมนภาพขึ้นมาด้วยอํานาจของสัญญาค า, าดคาดก็มาเดาเขามาคาดสัญญาแล้วก็หลงสัญญาเนี่ยสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณมันทํางานประสาประสานไปด้วยกันพร้อมๆกันอันเป็นเรื่องของนา ม, มาันทําที่มีอยู่ภายในจิตของเรา ที่เป็นอาการของจิตที่เป็นกิริยาของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้ตัวจิตแท้ถ้าบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนอย่างจิตของพระอริยเจ้าสิ่งานี้ไปเคลือบแฝงไม่ได้เพราะท่านขัดเกลาจนออมแล้วไปเคลือบแฝงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะดึงกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไปทับถมจิตจิตพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์หลวงตาท่านพูดเอาไว้ท่านเทศน์เอาไว้ ของความควา ม, ความทุกข์เท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีไปผ่านในจิตของท่านเนื่องจากไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไปในจิตเป็นจิตที่ชำระขัดเกลาสะอาดบริสุทธิ์หมดจดสัญญาเอยสังขารเอยวิญญาณเอยที่เป็นสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทิ่งต่างต่างเหล่านี้ ไม่สามารถจะหลอกจิตได้เพราะสิ่งเหล่านี้สักเท่าเป็นกิริยาของจิตตัวตัวจิตที่มันพาลุ่มหลงก็คือตัวกิริยาของจิตนี่แหละไม่ใช่ตัวจิตแท้เพราะตัวจิตตัวนี้เป็นตัวจิตที่เคลือบแฝงด้วยอํานาจของกิเลสมีความโลภมีความดิ้นรนมีความทะ ย, ยานมีความอยากได้มีความอยากได้แล้วก็สแสวงหาพราสแสวงหามันอิสระในการนึกการคิดทั้งหมด่ะ อยากได้ยังไงต้องการยังไงนึกคิดแสวงหาไปตามอำนาจตามอิสระของจิตนั่นแหละจะเปรตสปะไม่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขที่แท้จริงไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงในสุขก็เลยคว้าได้สุขบ้างได้ทุกข์บ้างทุกข์บ้างสุขบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างบางคราวก็ได้รับความสุขบางคราวก็ได้ได้บุญ สูงขึ้นมาหน่อยเป็นมนุษย์เออเป็นเทวดาเอยเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นไปตามภูมิตามอำนาจศาสนาที่จิตสังสมได้บางคราวบางการตกลงไปนู่นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นตอกนรกหมกไหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายและแต่มันจะเป็นจิตดวงนี้จึงขึ้นขึ้ขขลงลงตามอํานาจของกรรมเนี่ยพกเรามี จิตด้วยกันทุกคนมีกิเลสภายในจิตด้วยกันทุกคนพยายามฝึกฝนพยายามอบรมพยานปฏิบัติให้จิตสงบและพยายามย้อนมาดูมาพิจารณาอย่าเชื่อมันง่ายๆอย่าเชื่อตาของตัวเองง่ายๆเพราะจิตมันหลอกอย่าเชื่อหูตัวเองง่ายๆเพราะจิตมันหลอกพยายามดูไปถึงสาเหตุต้นต่อที่จิต ถ้าไม่ดูถึงต้นต่อที่จิตแท้เราดูไปไม่สุดสายเราอาจจะไปทายเหตุผิดทายเหตุถูกอยู่นั่นแหละเราก็หลงอยู่นี่แหละหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายหลงคาดหลงเดาหลงผิดอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้ความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราคาดผิดเดาผิดเข้าใจผิดเนี่ยทำให้เราได้รับความทุกข์เป็นประจทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็ว่าได้ ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาเนี่ยมันจะคาดมันจะเดาเอออันนั้นจะดีอันนี้จะรื่นเริงอันนั้นจะเพลิดเพลินดีไปประเดี๋ยวกรดารื่นเริงเพลิดเพลินไปปรเดี๋ยวประอดามันก็อิ่มใจมันก็มันก็อิ่มมันก็เบื่อเบื่อนี้มันก็วิงหาอนนั้นเบื่ออันนั้นมันก็วิงหาอันนี้เบื่อนี้วิงหาอันนั้นเพราะมันไม่เห็นเหตุเห็นผลที่แท้จริงอมันจึงยึดยึดติดติดยึดยึดติดติด มันจึงสุข ส, ขสข ท, ทุกทุกทุกทุกสุขสุขอยู่นั่นแหละอืเพราะะฉนนั้การตั้งใจภาวนาจึงเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เรามารู้มาเข้าใจตรงนี้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปตั้งใจทําเอาเวลามีค่าในชีวิตจิตใจของเราด้วยกันทุกคนมีค่าสําหรับภาวนาไม่ใช่มีมีค่าไม่ใช่มีค่าสำหรับเป็นนั่งคอยทำนู่นนั่งคอยทํานี้แล้วเอาเวลาไปหายใจทิ้งไม่ใช่ นั่งยืนเดินตรงตรงไหนนอนตรงไหนภาวนาไปต่มีสติจ่อเข้ามาที่จิตตัวเองตลอดมีสติกกลับมาที่จิตตลอดจ่อเข้ามาที่จิตตลอดการที่เรากำหนดจดจ่ออยู่ทุกระยะทุกเวลามันเป็นการสังเกตสังการจิตไปในตัวอมันพร้อมที่จะรู้เท่าทันกิเลสที่มันจะมาแทรกไปในจิตพอมันแทรกปั๊กรู้ปั๊บแทรกปั๊กรู้ปั๊บพอมันมาเกาะปั๊บรู้ปั๊บเกาะปั๊บรู้ปั๊บเกาะปั๊บรู้ปั๊บ มันก็นานๆคร้ามันก็อ่อนแรงไปเมื่อมันอ่อนแรงไปอทางธรรมเราก็มีกําลังวังชาเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ทําให้เราฉลาดขึ้นทำให้เราเห็นเหตุเห็นสมุดไทยที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อก่อนนั้นอับหยาบมันาหลอกเราได้ง่ายๆอล ะ, เ อ, ะเอียดมันเป็นพื้นของมันเป็นพืชเป็นพื้นของมันพอเราทําไปทําไปทําไป หยับหยาที่มันเคยมาหลอกเราเอออันนั้นเราก็รู้เท่ามันอันนี้เราก็รู้เท่ามันอันนั้นเราก็รู้เท่ามันนี่อันนี้มันก็สบปรนน์ไปมันก็ยังอยู่ส่วนละเอียดเราก็ดูเข้าไปไล่เข้าไปต้อนเข้าไปดูเข้าไปดูไปเรื่อยๆดูไปที่จิตจะเห็นไปเรื่อยต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้อาตปะความภาคความเพียรความอดทนอดทนขนาดไหนขั้นไหนอดทนขั้น เอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปนั่นแหละนั่นแหละถึงที่สุดตรงนั้นแหละทนขั้นไหนทนระดับไหนทนเอาเป็นเอาตายเข้าไปแรกนั่นนหะทนขนาดนั้นก็ตามท่านไม่ถือว่าเป็นอตัคกิลามาถานุโยกเพราะเราทําถูกเนี่ยเราทําถูกอ่ะเรารู้วตรงนี้แหละตรงนี้แหละน้ําจะออกตรงนี้แหละคูดไม่ยอมหยุดนะ่ะเราขุดไม่ยอมหยุดมันก็ไปได้เร็ว น้ำก็ได้ออกไปแต่ถ้าขุดไปเจอตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรแหละไม่เห็นมีร่องรอยไม่เห็นมีตาน้ําตาอะไระตาใยขุดจะเป็นใยตายมันก็ไม่มีอะไรออกเพราะเราทําผิดผิดที่ผิดที่มันจะออกข้อปฏิบัติเพรเราก็มีทั้งถูกมีทั้งผิดนั่นแหละตั้งใจพิจารณาคข้ครัวให้ดีสำรวจระมัดระวังอย่างนอยๆก็มีสติมีสมาธิ มีสัมมชัญญาอยู่กับเนื้อกับตัวสํารวมระมัดระวังตลอดก็จะเริ่มเป็นผู้เป็นคนแหละอ่ะพอต้องควรแล้ว